เราจะมาฟังประวัติของนักร้องลูกทุ่งหญิงสไตล์อีสานหน้าใหม่สังกัดค่ายอาสยามเธอมีชื่อว่าการาเกตอาสยามค่ะการาเกตอาสยามมีชื่อจริงว่าธรรมพรจุมจัตตุรัฐเป็นชาวอำเภอจัตตุรัฐจังหวัดชัยภูมิเกิดมาเนี่ยครอบครัวค่อนข้างยากจนมาก เพราะว่าพ่อเนี่ยเป็นนักการพันโรงส่วนแม่เนี่ยขายอาหารที่โรงเรียนที่พ่อของเธอทำงานเนื่องจากคุณพ่อค่ะชอบเพลงลูกทุ่งมากๆและมักจะพาลูกสาวเนี่ยไปประกวดร้องเพลงและก็คอยหมั่นให้กำลังใจลูกสาวอยู่เสมอๆคุณพ่อที่เป็นพันโรงค่ะเขียนเพลงลูกทุ่งไว้เยอะมากและอยากจะทำอัลบั้มให้ลูกสาวเพื่อเสนอค่ายเพลง ต่เดกอะค่ะก็คือยังไม่พร้อมเพราะว่าการาเกะเนี่ยอยากเรียนหนังสืออย่างเดียวแล้วก็ไม่คิดว่าจะเอาดีด้านการร้องเพลงระหว่างนั้นพ่อได้จัดตั้งวิทยุชุมชนขึ้นสงสัยคงคือพอมีฐานะทางการบ้าน ท, ทางการงานที่ดีขึ้นน่ะนะคะเธอจึงไปจัดรายการวิทยุเพื่อหาไรายได้ส่งตัวเองเรียนโดยช่วงแรกเนี่ย จัดรายการแนวเพลงสตริงต่อมาเนี่ยก็จัดรายการเพลงลูกทุง่งแล้วก็พูดคุยสื่อสารข่าวสาระเรื่องราวที่อยู่ในท้องถิ่นก่อนมาเป็นนักร้องกา ร, รเกตเนี่ยเคยเดินสายประกวดร้องเพลงลูกทุง่งอยู่แถวแถวแถวบ้านก็คือชัยภูมิเธอเนี่ยเคยคว้ารางวัลชนะเลิศและคือแต่การที่เธอชนะมาทุกเวทีเนี่ย คู่แข่งก็จะต่อว่าเธอบอกว่าเนี่ยโหทำไมถึงชนะน่นนั่นนี่แล้วก็กรรมการก็จะแกล้งด้วยทำให้เธอเนี่ยทอ้อแล้วก็เลิกประกวดไปเลยนะอีกทั้งยังไม่กล้าประกวดเวทีใหญ่ด้วยโอ้โหท่านผู้ฟังคิดดูสิคะทำให้ความฝันที่จะอยากจะเป็นนักร้องเนี่ยหมดตาไปด้วยจนกระทั่งวันหนึ่งคุณจิรวัตรปานพุ่มผู้บริหารค่ายรักไทยในเครืออาสยาม ก็ได้มาเดินทางมาพบเพื่อนซึ่งเป็นนายสถานีวิทยุที่ชัยภูมิซึ่งการารเกตเนี่ยทางานเป็นดีเจจัดรายการอยู่หลังเปิดวิทยุในรถได้ยินเสียงการารเกตนี่จัดรายการอยู่รู้สึกว่าโอ้โหดีเจคนนี้ทำไมน้ำเสียงเคราะห์น่ารักจังเลยก็เลยมีการชักชวนมาเป็นนักร้องในสังกัดแล้วก็พบปะที่ค่อนข้างบังเอิญค่ะ ซึ่งผลงานชิ้นแรกของการาเกะก็คือว่าสายลมหแห่งรักนะคะซึ่งคือมันมันมาจากที่ผู้บริหารเนี่ยขับรถมาตามเสียงของนักร้องเหมือนมาจากสายลมอย่างนั้นน่ะซึ่งการาเกะเนี่ยมีผลงานชุดแรกในขณะที่เรียนแค่มหเองนะคะท่านผู้ฟังเธอออกอัลบั้มมา4ชุดและชุดแรกนะคะก็คือสายลมแห่งรัก ชุดที่2นะคะเจ็บซ้ำเพราะคำอายแล้วก็ชุดที่3คืออยากเป็นคนที่โดนอ้ายหักแล้วชุดที่4หาการระเกตกลางฝนแล้วก็ออกอัลบั้มพิเศษนะคะลูกของพ่อแล้วก็รวมกับหนูมิเตอร์อาสยามอันที่เดี๋ยววันนี้จะเปิดให้ฟังก็คือวีระบุรุษสุดที่รักนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาฟัง เพลงอื่นๆของกา ร, รเกตอาสยามกันว่าจะถูกอกถูกใจเราท่านผู้ฟังไม่ยกทั้งหลายหรือเปล่าอย่าลืมนะคะรายการแชหมดเปลือกโดยดีเจแอมเนี่ยจะออกอากาศทุกวันนะคะท่านใดอยากฟังประวัตินักร้องคนไหนโทรศัพท์กริ๊งกร้างก็เข้ามาได้นะคะที่คอ l center น์แปดนเตอร์0813946977นะคะ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 สวัสดีครับค่ะให้คุณหลีแนะนำชื่อนามสกุลเลยค่ะอ๋อผมชื่อลุงหลีแ้าโก้าค่ะอยู่บ้านเลขที่เจ็ดสิบเก้าค่ะปู่สิบเอ็ดบ้านหนองไอบ้านถนนโค้งตำบลหนองจอดําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเสียงดังชัดเลยนะคะคุณลงุง ค่ะคุณลุงหลีคะอาการาก่อนที่จะมาใช้ผลิตภัณฑ์มูลไร้คุณลุงเป็นอะไรามาคะผมก็เป็นโรคไอโรคเบาหวานความดันแล้วก็เป็นโรคเกาตีนชามือชาค่ะแล้วก็ทานยาโรงพยาบาลมาเรื่อยม า, าแต่มันก็ไม่หาย มันกระทังไปวันวันหนึ่งเท่านั้นเองอที่บอกว่าทานทานเอ่อทานยามาเยอะเนี่ยทานมากี่ปีคะโอ้ร่วงสิบปีเลยครับโฮะเป็นมานานมากครับผม<า>กืบจะเอ า, <ห>าชีวิตไม่รอดคนะ่ะบางบบางวันบางครั้งก็เป็นหนักครับค่ะ ที่บอกว่าอาการเป็นหนักเนี่ยหนักยังไงคะถึงกับเดินไม่ไหวครับเดินไม่ได้ฮนะนอนติดเตียงเลยครับค่ะแล้วก็อยู่ๆมามันก็หายได้ฮนะหายติดติดเตียงฮนะก็ลุกได้เดินได้แต่มันก็ไม่ไม่หายขาดนะเป็นเป็น ห, หายหายโอ้ค่ะนะ แล้วลูกหรีหมดเงินที่รักษาตัวซื้อยาไปเยอะไหมคะก็ผมตั้งหมืนม่นหมื่นสุดเลยนะครับค่ะคิดค่ะใครว่าหายก็ซื้อใครว่าหายก็ซื้อแต่แล้วมันก็ไม่หายจริง่ะแล้วไม่ปรากฏผลติดตามมาเลยครับ ค, ค่ะก็เรียดเรียกว่าคือเวลาเป็นขึ้นมาเนี่ยทรมานนอนติดเตียงเลย ทำงานไม่ได้นอน ไ, ไหนก็ไม่ได้นอนติดเตียงเลยลุกก็ไม่ได้โอ้ใครลุกลูกห ล, ลานหลานมาดึงแขนลุ ก, ก่ะจับนั่งอับให้เป็นอาการหนักหนักๆเมาเมาหนักๆเมาเมาอยู่อย่างนี้อือเป็นมาเป็นสิบปีค่ะครับประมาณสิบปีจะได้ครับออแล้วเวลาเวลามันขึ้นมานี่ก็มีชามือชาเท้าด้วยใช่ไหมคะ อาเมือชาเท้าฮะอืมเป็นหมดเลยค่ะเห็นหมดเลยเมาคนเดียวฮะเมาคนเดียวตอนนี้อายุแปดแปเก้าฮะฮะตอนนี้แปดสิบเก้าเหรอคะครับโอ้โหอายุแปดสิบเก้าคุณลุงหลีเกือบจะเก้าสิบแล้วโหยังแข็งแรงครับครับโอ้โหแบบหนูดีใจมากเลยนะคะที่คุณลุงหลียังยังพูดได้คล่องยังพูดชัดเจน ค่ะก็ลุงหลี่คะเอ่อมารู้จักกับบูญไรได้ยังไงจ๊ะผมไปชอบฟังฟังทุกแผนนี้ฮะค่ะว่าใครจะมียาดีอังมาครั้งแล้วฟังแบบทุคอันมาโก้กินแล้วไม่ดุกนีกอ่ะค่ะเพมาลองยาเนี่ยครับเจอขึ้น แปดสิบแปดจุดห้าเนี่ยะนครสวรรค์เนี่ยคฟังดูเอ้ท่าทีมันจะดีเนี่มีการโคตรองสามขนานไอ้สามขนานเล็กขนานขนาดกลางขนาดใหญ่ฟังฟังดูแล้วเข้าข่าก็ข่าดีนะลองดูสิจะดีไหมก็ปกติมาหนึ่งชุดชุดเล็กฮะ ทดลองดูอะอะกินแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันผิดปกติขึ้นอย่างเนี้ยมันชักทักคล้ายๆว่าดีอะไ่าเ <Ừ. S 2> เลยสังอีกครั้งหนึ่งกินเข้าไปประมาณเจ็ดเจ็ดแปดวันแล้ว <S <S 2> <S 2> ค่ะรู้สึกว่าดีขึ้นแข็งแรงค่ะก็ลอ ง, <S <S 2> <S 2> งสั่งสั่งคุดใหญ่เลยค น, นนี้ยอ๋อเอาคุดใหญ่มาเลยค่ะก็คงจะได้รับวันนี้มั้งครับ ออค่ะคุณคุณลงหลีคะที่บอกว่ามันดีขึ้นเนี่ยมันดีขึ้นยังไงบ้างคะคืออาการมันก็มือเท้าเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมันเบาลงนะเบาช่าน ะ, ะแล้วก็อาหารการกินก็รู้สึกว่ากินได้คุณลงอายุเท่าไหร่คะตอนนี้ย่างเขาแปดสิบเก้านะครับ 89สิบเก้าก็ใช้มูลไรได้ถูกไหมคะครับครับใช้มูลไรได้ฮนะค่ะเพราะฉะนั้นคนที่อายุน้อยกว่านี้ไม่ต้องกลัวนะคะนะผมจะใช้ได้ดีกว่าผมนะฮะผมมันโรคคาราด้วยดูผ้ามันน ะ, ะใช่ไหมฮะค่ะค่ะคต้องขอขอบคุณคุณลุงหลีเป็นอย่างมากนะคะที่ได้ บ, บอกเล่าความประทับใจคะ่ะขอบคุณคะ่ะครับสวัสดีครับ ชามือชาเทา้าปวดเมื่อยตามร่างกายนึกถึงชุดน้ํามันมูลบไบร์จำชามือชาเทา้าปวดเมื่อยตามร่างกายนึกถึงชุดน้ํามันมูนไบร์จะปวดหรือชาแค่ไหนอย่าลืมใช้ชุดน้ํามันมูลบไบร์สอบถามได้ที่เบอร์ 0-8 นย์แปดหนึ่งสมเก้สหเกเจดเจดจำศูนย สามเก้าสี่หกเก้าเจ็ดเจ็ดครับสวัสดีครับอ่าให้คุณลุงเทือนแนะนําชื่อนามส ก, กุลและที่อยู่ค่ะครับผมลุงเทือนหอมจันทร์บ้านเลขที่สองสามนะครับตำบลหนองกอดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์บา้านถนนโค้งนี่ครับนะอะบ้านถนนโค้งนะนโค้งนี่ครับนะ คุณลุงเทือนเนี่ยก่อนรู้จักกับมูลไบรท์มีอาการเป็นอะไรมาคะมีเ ม, มื่อ ก, ก่อนเนี่ลุงไปช่างตัดผมมา่ก่อนเนาะค่ะไปช่างตัดผมมายืนตัดผมมาประมาณสิบกว่ปีเนาะค่ะแล้วยืนตัดผมขามันชาชาแล้วก็ขาชาข้างขวาเนาะหนูเนาะค่ะข้างข้างขวาเนี่ยแล้วก็มั น, ก, นก็ต้องน่องยกเนี่ยตกน้องปวดอะไรขาชาขึ้นเดียวอะแบบชาขึ้นเดียวเนาะ ก็เป็นมาประมาณสิบกว่าปีเนาะกระทนตัดผมอยู่างนั้เนี่ยตอนนี้ก็ยืนนานๆก็ยืมไม่ได้เนาะต้องหยุดตัดผมต้มชามีการชาขาค่ะน่องหอว่าขาชาขาหรือน่องเลยมั้งแล้วคุณลุงชาขาเนี่ยมากี่ปีแล้วอ่ะคะสิบกว่าปีเนาะสิบกว่าปีนานมากค่ะกวปีนะ แล้วคุณรุงมารู้จักกับมูลรายได้ยังไงอ่ะคะก็มาฟังรายการเนี่เลยที่ จ, จัดเนี่ยค่ะฟังไปฟังมาเนาะมุกงก็โลกเราค่ะแต่เราลองกินดูสิว่าสะอาดดีไหมเนาะแล้ว ร, รุงใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคะตัดคิดแรกตัดตัดใจเลยเนาะวเรนยังไม่เชื่อใจว่าไอ้จะดีแค่ไหนเนาะค่ะสั่งชุดเล็กมาก่อนค่ะสักหรก้อยบาทเลยนะค่ะ ก็กินกระกรปุกเนี่ยก็รู้สึกมันเยอะมันรู้สึกจะดีๆเนาะรู้สึว่ามันเบาวปวดเป่าเมื่อยที่เคยชาเคยเมื่อยเคยมีการที่ว่ายืนนานไม่ได้นะ้ำมันก็เปล่ากับเราลง ก, ก็เห็นว่ามันดีก็สั่งชุดใหญ่ชุดเนือแล้วคุณลุงเถือ น, นมองว่าของมุนไบรท์อะค่ะที่ทานแล้วเนี่ยได้ผลจริงราคามันแพงเกินไปไหม ไม่แย่งหนูสำหรับคนที่เป็นโรคอางนี้เนาะค่ะมีคนรักษาทอื่นมีไปจ้างคนนวดมีนไปหายากินี่อื่นแล้วไม่เสียเวลาด้วยกับบ้านนะันดีหนดีได้ได้ได้ก็ดีจริงอะเปปกก็ลุงเองอืลุงก็กินยามนักหนาแล้วก็กินไงจ้างคนนวดมันกินยามันไม่หายหายชั่วคราวเนาะหนูค่ะทกิตัวนี้แล้วมันรู้สึกว่ามันจะหายระยะค่อยๆหายปนมันค่อยๆหายนะแต่นี่ก็ หายหลุงกินไปสงชุดแล้วชุดนี้ก็ว่าสั่งชุดหนึ่งมันมันมีอาการแอนเนียลเห็่ยเนี่เป็นนิี่หละตรวกับข้อแล้วที่าบางค น, นเขาฟังทางวิทยุอ่ะเขาไม่มั่นใจว่าที่สัมภาษณ์กันอยู่อ่ะเป็นหน้าม้าไหมไอ้ที่ที่พูดพูดกันอยู่ไม่ได้กินจริงหรอกรู้ว่าไงคะเนาะมันไม่่เป็นโหนไม่เป็นนกลุงไม่เป็นหน้ามาคือลุงเนี่ยเห็นสับ ลุงก็สั่งให้มันกินงนะสังมันกินแล้วลุงลองกับตัวเองเ น, นะนะแล้วก็มันดีก็ดีจริงไม่นนเป็นหน้ามาน้าอะไรเลยนะครับนะถ้าเป็นโลกอย่างนี้นะเป็นโลกปวดเมื่อยล็อกเนี่ยะพวกแข้งพวกขาพุกเส้นเนี่ยดีจริงๆริงนะแต่จใจเวลาหน่อยเนาะค่ะก็ดีจริงๆริงค่ะต้องขอขอบคุณนะคะคุณลุงเถือนหอมจันทนะคะตำบลหนองกรดนะคะที่เดนนี้ได้ให้ ข้อมูลนะคะที่คุณลุงได้รับประทานจริงแล้วดีขึ้นจริงๆขอบคุณมากค่ะคุณลงุงค่ะมีกระสังสารคิดผู้ที่ถามไหยครับเนี่ยอ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากครับหากท่านใดอยากป้องกันบรรเทาอาการปวดเมื่อยไม่ว่าจะเป็นปวดหัวเข่าตักคริวนิ้วล็อกชามื อ, ช า, มอชาเท้ากระดูกทับเส้นปวดตามข้อตามกระดูกเนื่องจากเป็นเกา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 สั่งชุดน้ำมันมูลไบรชุดใหญ่รับของแถมฟรีชุดใหญ่เท่านั้นที่มีของแถม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 ให้สัมพันธ์นั้นต้องจือจา พ่านนั้นต้องจืดจางปักฟังชีเนื้อนอาทีสองฟังเดี๋ยวเรามาฟังตัวจริงเสียงจริงของคุณแม่ของคุณทีรนุสายหยุดกันนะคะสวัสดีค่ะจ้า ค่ะให้คุณป้าแนะนําชื่อนามส ก, กุลและที่อยู่ค่ะวันดีพิรอดจ้ะอ่าคุณวันดีพิรอดนะคะจ้ะอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่คะห้าทับสองหมู่สามค่ะตําตบลอะไรคะตําบลหนองกรดอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะอยู่ตําบลหนองกรดอําเภอเมืองนครสวรรค์นะคะค่ะคุณวันดีอาการเดิมเนี่ยเป็นอะไรมาคะก็ปวดเมื่อยค่ะ ปวดเมื่อยปวดตรงช่วงไหนอะคะช่วงช่วงก็จากอะไรบ้านเขาเรียกบ้านเอวเนาะค่ะลงไปถึงปลายเท้านั่นแหละค่ะแล้วก็จากโคนแขนก็ไปถึงปลายนิ้วมือก็เหมือนคือเหมือนปวดไปทั้งตัวอะเมื่อยไปทั้งตัวอะอืมตั้งแต่บ้านเอวเป็นถึงปลายเท้าแล้วก็โคนแขนไปถึงมื อ, อค่ะจากปลาย ม, มือ ม, มีปวดอย่างเดียวหรือมีชาด้วยคะก็ก็มีปลายมือเริ่มจะชาค่ะ เป็นอย่างนี้มากี่ปีแล้วคะอ๋อยังไม่เป็นปีจ่าเพิ่งไม่กี่เดือนอ๋อเป็นมาไม่กี่เดือนค่ะแล้วคุณวันดีรู้จักกุมูลไบรท์ได้ยังไงอะคะก็มีคนข้างบ้านเขาบอกอืมค่ะเขาบอกว่ากินแล้วดีขึ้นอย่างเนี้หรอคะอ่าจากก็เห็นอยู่ว่าเขาไม่ค่อยดีนะแต่พอเห็นอีกทีนเขาก็ดีอ่ะเลยเขาบอกว่ า, ากินยาตัวเนี้ยอ๋อเดิมเดิมนี่เขาเป็นอะไรอ่ะให้คนข้างบ้านเขาก็เขาแก่แล้วนะแล้วก็เห็น คือก็เห็นคนญาติเขาแหละเขาบอกว่าเขาไม่มีแรงแล้วก็เห็นเขาเดินแล้วลม้มเดินแล้วลม้ลวลมอยู่เพราะว่างั้นอะค่ะล้มแผะล้มแพะอยู่แล้วตอนนี้เห็นเขาขี่มอเตอร์ไซค์ได้แล้วไงอ๋อเราก็งงใช่ไหมอ่าก็เห็นว่าเขาดีขึ้นเยอะแล้วครั้นี้มีคนบอกว่าเนี่ยเขาเขากินตัวนี้อยู่อ๋อก็เลยเขาแนะนํามาก็เลยเออกินมั่งอ๋อค่ะแล้วคุณวันดีใช้ของมุลไบต์ไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็ ก็ในความรู้สึกว่าเหมือนตายนิดมือมันจะค่อยๆดีขึ้นแล้วนะอืมเหมือนมีความรู้สึกมากขึ้นใช่ไหมคะอ่าจ่าแล้วเห็นบอกว่าสามีก็ใช้ด้วยใช่ไหมคะอ่าจ่าก็เห็นเขากินก่อนอแต่ก็ไม่รู้่ะไม่ได้ดูจนลูกสาวซื้อมาให้กินมั่งเนี่ยอ๋อค่ะค่ะอบอกว่าเห็นมีแบบคนรอบๆตัวเนี่ยก็กินกันทั้งหมดใช้กันแบบหลายคนใช่ไหมมุนไบร์เนี่ยค่ะจ่า แล้วคุณวันดีมองว่าผลิตภัณฑ์มูลบาที่ใช้เราได้ผลจากที่คนรอบตัวแล้วที่เราเห็นนะคะมองว่าสินค้าราคาเนี่ยมันแพงไปไหมหรือพอรับได้ฮะก็รับได้เพราะคือถ้ามันหายไปเลยนะยิ่งโหดีมากเลยก็ไม่ก็ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่แพงอนะถ้าแรกก็ว่าเราหายไปจากโลกเนี้ยนะค่ะจากอีโลกปวดเมื่อยโรคชาเนี่ยค่ะแล้วบางคนนะคะเขามองว่าเอ อ, อาการปวดเมื่อยอะปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวมันก็หายเอง คุณวันดีมองว่ายังไงอ่ะคะมันจะหายได้หรือมันมีแต่อายุมากขึ้นมันก็จะเป็นมากขึ้นใช่ไหงค่ะอือทางเราก็ต้องดูแลตัวเองนะคะใช่ก็ต้องเคือเขาไม่มียาอะไรว่ากินดีเราก็ต้องหามากินนั่นแหละอือค่ะคือจะปล่อยไว้มันก็ไม่ได้ไม่ยาปล่อยไว้เดี๋ยวมันจะเป็นใบใหญ่ค่ะค่ะ อ๋อค่ะทางรายการมูลไบรนะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณป้าวันดีผีรอดนะคะที่อยู่ตําบลหนองกรดอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์อาการเดิม ก, ก็คือปวดตั้งแต่บั้นเอวจนถึงชาถึงเท้าแล้วก็ปวดต้นแขนถึงปลายมือนะคะขอบคุณมา ก, ากค่ะคุณป้าจา้าค่ะขอบคุณค่ะ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 สามเก้าสี่หกเก้าเจ็ดเจ็ดดี๋ยวเรามาฟังตัวจริงเสียงจริงของคุณขวัญดาวสมชัยกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวให้คุณขวัญดาวแนะนําชื่อนามสกุลและที่อยู่ค่ะค่ะชื่อขวัญดาวสมชัยค่ะอยู่บ้านเลขที่หนึ่งร้อยเก้าทับหนึ่งหมู่สิบสี่ตำบลหนองกระโดนอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะค่ะ หมู่14หนองกระโดนอำเภอเมืองนครสวรรค์นะคะค่ ะ, ค, ะคุณขวัญดาวเนี่ยเห็นบอกว่ามีคุณแม่ที่ปวดเมื่อยแล้วก็สามีก็ปวดเมื่อยด้วยเล่าอาการของทั้งสองคนค่ะค่ะของของแม่เขาก็จะเป็นปวดเหมือนปวดเส้นปวดตรงต้นนะคะค่ะแล้วเขาก็ใช้ยาไอ้น้ํามันนวดแล้วเขาบอกว่ารู้สึกสบายตัวขึ้นใช้ไปได้แค่วนันสองวันนะคะออกรู้สึกสบายตัว แล้วก็ดีขึ้นเยอะปวดแฟนค่ะปวดแฟนเขาหมอเขาบอกว่าเป็นอาการเบื้องต้นของกระดูกทับเส้นอืเขาก็เลยเอาน้ํามันของแม่ค่ะแบ่งไปขวดเล็ก้็ไปลองใช้ดูแล้วบอกว่าดีขึ้นก็เลยให้ให้สั่งเพิ่มเนี่ยค่ะอืมแสดงว่าทั้งแม่และแฟนก็คือปวดเหมือนกันแต่ว่าแม่ปวดซนเท้าใช่ค่ะเป็นเป็นมานานแลยยังะของแม่ของแม่ก็เป็นมาหลายเดือนแล้วค่ะนานนานอยู่ ส่วนของแฟนนี่เขาก็เป็นมานานนะคะที่ว่าอาการปวดแต่ว่าเพิ่งจะไปตรวจที่หมอแล้วหมอบอกว่าเป็นอาการเบื้องต้นของกระดูกทับเส้นค่ะแล้วก่อนหน้านี้ของทั้งแม่และกัแฟนเนี่ยได้เคยคลองหาวิธีรักษามาบ้างแล้วหรือยังแม่ก็ได้แต่ไปหาหมอไปฉีดยาแล้วก็กินยาค่ะตามคลินิกอะไรอย่างเงี้ยมันหายไหมก็มันก็เบาแค่ช่วงฉีดยาพอหลังจากนั้นมันก็เป็นเหมือนเดิมอะค่ะ อ๋อเรียกว่าไม่หายไม่หายค่ะใช่ใช่ไม่หายค่ะแค่ดีขึ้นตอนขีดอืมค่ะ <c oughs> แล้วที่คุณขวัญดาวได้ประสบกับตัวเองว่าเออแม่ดีขึ้นแฟนที่ปวดแล้วดีขึ้น <c oughs> เบาขึ้นนะคะ <c oughs> คุณขวัญดาวมองว่าผลิตภระพันธ์มูลไบรทอ่ะที่คนเขาชอบพูดกันว่าเ อ, อ้ยสัมภาษณ์ว่ามันหายหายทางวิทยุเนี่ยมันเป็นหน้ามาหรือเปล่าเนี่ยคุณขวัญดาวมองว่ายังไงคะก็ก็ฟัง วิทยุมาบ่อยอนะคะแต่คนใหญ่ะแม่แม่เขาจะฟังอ่าทางคลื่นนี้ยค่ะเก้าสิบเจ็ดจุดเจ็ดห้าอะไรนะคะแม่เขาจะเปิดทุกวันแม่เขาฟังแม่เขาก็จะบอกว่าสั่งให้หน่อยสั่งให้หน่อยราคาแค่นี้เองเออเสียมาเยอะแล้วลองลองลองตัวนี้ดูเสือจะดีขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยโทรสั่งโทรสั่งให้แม่แม่เขาใช้แหมเขาว่าดีขึ้นแม่เขาเลยแบบว่าเชื่อที่จะสั่งทางทางเนี้ค่ะอื ก็คือเรียกเรียกได้ว่าคือฟังมาแล้วอ่าแล้วเราลองกับตัวเองแล้วมันดีคือใช่ใช่ค่ะก็เลยคิดว่าไอ้ที่เราสั่งมามันก็มาถูกทางแล้วใช่ค่ะไม่ได้หลอกหรอกอค่ะค่ะแล้วคุณขวัญดาวมีอะไรจะฝากไหมเพราะบางคนบอกว่าฉันน่งเงินน้อยคิดว่าโอ้ยราคาสู้ไหวไหมตัวนี้ค่ะจริงจริงเงินน้อยมันก็ราคาก็ไม่ได้แพงนะคะมีทั้งชุดเล็กชุดใหญ่ค่ะก็ ก็ลองลองชุดเล็กก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าแฟนใช้แค่ขวดเล็กอะค่ะน้ำมันมูไรซ์ขวดเล็กก็โอเคแล้วอะค่ะอจึงจึงให้สั่งเพิ่มเนี่ยค่ะอ๋อแค่แบบชุดเล็กก็รู้เลยว่างั้นเถอะใช่ใช่ค่ะเพราะชุดเล็กก็ราคาไม่ได้แพงมากค่ะไม่ได้แพงเลยอืมถ้าเทียบกับว่ามันดีขึ้นอะนะคะอืมค่ะยืนยันตัวตนนะคะว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์มูไรซจริงแล้วมันก็ไม่ได้แพงนะคะค่ะราคาก็ไม่ได้สูงแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็ ถือว่าพอใจไหมคะค่ะพอใจค่ะเพราะว่าดีขึ้นสบายแม่บอกสบายตัวขึ้นก็จริงๆนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเป็นอาการแบบนั้นลองลองดูก็ได้ค่ะชุดเล็กชุดเล็กแค่ชุดเดียวก็ก็เอาอยู่อ่ะคะ่ะแล้ ว, แ ล, วแล้วถ้าติดใจแล้วเราค่อยสั่งเพิ่มอืมก็คือชุดเล็กแค่ลองก็รู้เลยว่าเบาแล ะ, ะแต่ถ้าเกิ ด, ดว่าอยากหายเลยก็เอาชุดใหญ่นะใช่ค่ะเอาไข่ okay, ค่าข้องขอบ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 7 7ย้ำา0 8 1 3 9ส6 9 7 7ข่าวดีค่ะเพียงท่านสั่งชุดน้ำมันมูลไตรชุดใหญ่รับของแถมฟรีย้ำสั่งชุดน้ำมันมูลไตรชุดใหญ่รับของแถม ฟรีชุดใหญ่เท่านั้นที่มีของแถมอยกสิถามว่าอ้าคนนี้มีความสำคัญกับโนบนโน อ้มันคคนบ่อสิเหตุจังใดหน้าตาออา้มันโบดีแต่หัวใจไอม้มากน้องลายสิเหตุจังใดให้น้องมกอากาอคือเขามันคงเป็นแค่วาสนาให้สองเฮามาบ่ได้คู่กัน เกิดมาได้แค่ฮักกันกับุญแล้วลาอายสิยอมรับกำต่อไปแมไอายบ่มีปัญญาชาตินี้มีกรรมหนักหนากระคืนเสียวาหาวบสมกัน สิยอมเก็บปว ด, ปว ด, ปวดรัวราวสิยอมที่เขาได้เจ้าเคียงคู่ไอ้กะหูโตนี้ว่าไอา้บ่มีปัญญายอมรับว่าไอ้มันจนไอ้กะเป็นคนขึ้นองนันลาเถืงอสิเปิดปัญญาแต่ไอ้กะหักคือตา เรื่องดีๆขอให้เกิดกับน้องระหว่างเฮาสองคงต้องจบกันไอ่บออยากที่เขาคนนั้นมาขึ้นยังลาไอยบอกเคยหักน้องบทจริงถ้าเขาทิ่งกะคืนมาก็ได้สิเป็นสิตายโตไอ้กะหักคือเกา่า ก้าหูโตดีว่าไอโาบมีปัญญายอมรับว่าอาอมันจนไอก็เป็นคนขึ้นห้องนั่นล้วถึงสิเปิดปัญญาแต่ไอก็หักคือเก่าถึงสิเปิดปัญญาแต่ไอ กักคือเก่า ฟังตัวจริงเสียงจริงของคุณสมควรชื่นกล่อมกันค่ะจ <Yeah. S 1> ้ะอ่าเดี๋ยวให้คุณป้าแนะนำชื่อนามสกุลและที่อยู่เลยค่ะชื่อสมควรชื่นกล่อมค่ะบ้านเลขที่สี่เด็กเก้าสี่ค่ะหมู่หมู่ทสองค่ะสมควร้อลงทุโลนค่ะ อำเออเภ อ, อ, อเมืองครสรรค์่ะตำบลหนองกระโดนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ น, นะคะค่ะคุณป้าสมควรเนี่ยก่อนหน้าที่จะมารู้จักกระมูลไร้ป้าเป็นอะไรมาจ๊ะมันล้มล้มแล้วก็เป็นนอามามาพึ่เลยอ่ะอ๋อเป็นออามาพึ่งนี่อาการเป็นไงป้ามันขาขาเน่เดินไม่ได้ค่ะแล้วก็ แขนใช้ไม่ได้ขาเนี่ยเดินไม่ได้แขนใช้ไม่ได้แล้าเวลานั่งต้องนั่งเฉยๆนั่งีเฉยเดินได้ไหมตอนนี้เดินได้แล้วตอนตอนนั้นตอนนั้นก่อนจะมาใช้มูนไบด์เดินไม่ได้ได้อ๋อเดินไม่ได้เลยท่านผู้ฟังคะนี่ฟังคนเคยเป็นอมัมพฤกษ์นะคะเดินไม่ได้แล้วป้ารู้จักกับมูนไบด์ได้ยังไงเอ่ย ฟังวิทยุอ่าฟังวิทยุฟังมานานไหมกว่าจะจัดตัดสินใจก็นานกันเนี่ยอืมทันโทษ น, นะป้าป้าที่เดินไม่ได้เนี่ยเป็นมากี่ปีป้าเป็นเป็นที่ห้าเดือนกว่าเนี่ยอ๋อห้าเดือนนะที่เดินไม่ได้อ่าแล้วพอมาใช้ของมูลไรเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็เดินได้แขนก็ยกได้เงี้ยนะยกแขนขึ้น เดินได้เอ อ, เ, อ, อเรียกว่าดีขึ้นเกือบทั้งหมดนะดีขึ้นแ ล, แล้วคุณป้ามองว่าผลิตภัณฑ์มูลใบอ่ะเขาหลอกไหมเขาบางคนฟังดูเขากลัวโดนหลอกไม่หลอกแล้วุงโหลจะสอกแล้วสั่งไมเก่าค่ะไม่หลอกนะแล้วคุป้ามีอะไรจะฝากกับ ท่านผู้ฟังไหมว่าเขากลัวว่ามันจะแพง <c oughs> กลัวมันจะไม่ได้ผลกลไม่เป็นอแล้วคุณป้ามองว่าราคาเป็นยังไงแพงไหมไม่แพงอะัอ่าเมื่อเทียบกับป้าดีขึ้นหายแล้วเดินได้แพงไหมจ้ะไม่แพงอรัอืมจ้ะแล้วคุณป้ามีอะไรจะฝากบอกกับท่านผู้ฟังไหมที่อาจจะเป็นน้อยกว่าป้าหน่อยก็ได้ค่ะ <c oughs> ก็ไม่ก็ไม่พูดยังไงอะโอเคคุณป้าก็กีนเรียกว่ากินแล้วดีอ่นะคะเดินได้ยกขนได้ยกอ่าขาได้เดินได้แล้วอืมได้แล้วถามว่าคุณป้าดีใจไหมที่เดินได้เนี่ยดีใจอ่ะอืมดีใจนะคะค่ะนี่ก็เป็นตัวจริงเสียงจริงนะคะของคุณสมควระ ที่เคยรถลม้มเดินไม่ได้ยกแขนก็ไม่ขึ้นเป็นมาห้าเดือน<ะ>ทุกวันนี้<ะ>ยกแขนขึ้นแล้วเดินได้แล้วนะค ะ, ะคุณป้า<ะ>อยู่หมู่สิบสองตำบลหนองกระโดนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะคะย่า<ะ>ค่ะทางรายการมูลไร์นะคะต้องขอขอบคุณค่ะคุณป้าสมควรเป็นอย่างยิ่งนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณป้า่าจ้าจ้า เดี๋ยวเรามาฟังตัวจริงเสียงจริงของคุณนิทิมากันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะให้คุณนิทิมาแนะนําชื่อนามสกุลแล้วก็ที่อยู่ค่ะอ่าชื่อนิทิมาสี่แก้วพันนะคะที่อยู่อ๊อดที่สองเก้าแปดหมู่สิบเอดตำบลหนองกรดอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะอ่าหมู่สิบเอดหนองกรดอําเภอเมืองนครสวรรค์ น, นะค ะ, ะค่ะคุณนิทิมา ก่อนหน้าที่จะมารู้จักกับมูลไบเนี่ยตัวเองแล้วคุณแม่เป็นอะไรมาคะ อ, อ๋อปวดเมื่อยตามละปวดเมื่อยตามแข้งขานะคะค่ะมันตึงขาตามขาตามอะไรพวกเนี้ยพวกหัวคงหัวเข่าอะ่ะอะไรก็มามาฟังฟังวิยุาห์ค่ะก็เลยแม่ก็ฟังวิญญาก็เลยว่าเออลองสั่งซื้อใช้อยู่ค่ะอืมใช้แล้วมันดีอ่ะค่ะอืมการตึง เอ้ตอนที่ปวดเมื่อยตึงขาเนี่ยมันก็พาไปแล้วมันก็เบาหย่อนลงมาเดินได้สะดวกขึ้นอืมค่ะที่บอกว่าเดินแล้วได้สะดวกขึ้นเนี่ยคือดีขึ้นกว่าเดิมกี่เปอร์เซ็นต์นะคะก็สักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตนะคะอืมคนนี้ที่มาที่บอกว่าปวดเมื่อยตามร่างกายตึงตามแข้งขาเนี่ยเป็นมากี่ปีคะโอ้โหประมาณสองสามปีเนี่ยค่ะ มอเป็นสองสมปีมาแล้วค่ะแล้วคนนี้ที่มามองว่าผลิตภัณฑ์ของอมูลไบต์อ่ะเมื่อเทียบกับสิ่งที่เราประสบเราได้รับนะคิดว่าราคาแพงเกินไปไหมเออแม่บอกว่าพอใช้ได้ไม่ไม่แพงจนเกินไปอืมเพราะใช้ได้เนาะค่ะแล้วมีอะไรจะฝากท่านผู้ฟังไหมที่เขามีอาการแบบว่าปวดตึงแข้งตึงขาแบบคนนี้ที่มาค่ะ ก็ลองก็อยากจะฝากเอ่อคุณผู้ฟังที่ฟังรายการนี้เนาะค่ะเอ่อที่ถ้าปวดแข้งปวดขาปวดเมื่อยตามร่างกายเนี่ยสามารถที่จะทาได้แล้วก็ทำให้มันทาวงการปวดเมื่อยเดินตึงได้ชัดเจนลองลองทดลองใช้ดูก่อนนะฮะถ้าไม่ดีก็ว่าก็ไปค่ะถ้าดีก็ซื้อกันใหม่เนาะอืมค่ะเรียกได้ว่าคือเราลองกันได้ราคามันไม่สูงนะอ่าค่ะ ทางรายการมูลไบรนะคะต้องขอขอบคุณคุณนิที่มาสีแก้วพันนะคะที่อยู่หมู่สิบเอ็ดตำบลหนองกรดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ น, นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะจ้ะจ้ทนปวดอยู่ทำไมต้องจ่ายเท่าไหร่ถึงจะพอจะดีกว่าไหมถ้าหายปวดเบาตัวในชุดแรกที่ใช้ถ้าใช่ชุดน้ามันมูลไรคือคาตอบ สอบถามได้ที่เบอร์ศูน3 9 4 6ดหนึ่งสามเก้าสี่หกเก้าเจ็ดเจ็ดจำศูน3 9 4 6ดหนึ่งสามเก้าสี่หกเก้าเจ็ดเจ็ดเดี๋ยวเรามาฟังตัวจริงเสียงจริงของคุณศิริรัตน์กันค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะอ่ะให้คุณป้าแนะนำชื่อนามสกุลและที่อยู่ค่ะคช่ะืิฉันสิริรัตน์ิงจันทร์นะคะอยู่บ้านเลขที่สิบทับหนึ่งค่ะตำบลมึงเสนาค่ะ อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเห็นคุณป้าเอ่อขายของเป็นแผงขนมหวานใช่ไหมคะเป็นก็เห็นค่ะรถเข็นแล้จากป้าทังนั้นแหละวัดของค้าเนี่ยจิวิลาขนมหวานอ้าวค่ะค่ะคุณป้าอายุเท่าไหร่คะหกสิบสี่ค่ะหกสิบสี่แล้วเนาะขายขนมหวานมานานๆเนี่ยยืนละเมื่อยขาไหมคะ เมื่อยค่ะมันปวดขาค่ะถึงเข้ากันไดนําป้าอีกทีเนี่ยค่ะจารี่เป็นจารีิไปบปอกวนะนําป้าไปไล่หมุนใบเนี่ยป้าก็เลยลองดูเขาบอกว่าดีนะยายไล่ยายลองกินสิอะไรเงี้ยก็ป้าก็เลยสั่งเลยสั่งมาแล้วป้าก็ซื้อมาก็ดีเลยอะ่ะมันหายอะ่ะแล้วแบบว่าเส้นมันหย่อนมันอะไรเลยตอได้ป้าบวมป้าตึงมากเลยค่ะท<า>ีนี้ทีนี้จะมัน หายได้หิ้งปูแ้วรู้สึกว่าเดินดีอ่ะนอนหยัดดีด้วยเนออี่ยป้าถึงต้องจังอีกนะค่ะเออคุณป้าที่แนะนําคือคุณป้าสาลี่ผลสดหรือเปล่าคะคะค่ ะ, คะเป็นคือคุณป้าสาลี่ใช่ไหมคะที่แนะนําที่แนะนําป้ามาค่ะแล้วตอนนี้ป้ายังแนะนําคนอื่นอผิวหนึ่งอ่ะค่ะแต่เขา ไปจะไปโทรศัพ ท, ท, ท, ท, ท์ไปอีกต่อไม่รู้หน้าป้ากันแนะนำก็บอกเอายลาลัดจะเดินนั่นบอกฉันที่เนียน้ำมันมูล ไ, ไนนว้นี่แหละว่างี้ดีกันไปซื้อเลยว่าเง้เนี่ยไม่ต้องไปจะได้เลยเองมาส่งถึงบ้านว่าอย่างนีนนป้าก็พูดอย่างนี้อค่ะคุณจิริลัดใช้ชุดใหญ่เนาะแล้วคุณป้า <c oughs> แต่ก่อนเนี่ยเห็นบอกว่า เดินก็เดินลําบากแล้วนอนก็นอนนอนยากหรอคะใช่ใช่นอนไม่ค่อยหลับอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันปวดอ่ะอืมค่ะมันปวดมันตึงมันบวมไงเดินมันก็ต้องเดินก็เยอก็บกันอย่างเงี้ยแต่มีต้ากินมุนได้นี่เรารู้สึกว่าดีไงป้ า, ย า, ยากินได้โรงพยาบาลก็แค่งันไปผังๆพอมากินนี่เก็ไม่ได้กินแล้วอ่ะออก็กินนี่นะต้าถึงต้องมาสั่งใหม่ แสดงว่าของมูนไบร์เนี่ยกินแล้วหายปวดได้จริงจ้ื ม, มีได้ผลดันดีมากค่ะค่ะแล้วคุณป้าคะบางคนเนี่ยฟังฟังอยู่เขาไม่ค่อยมั่นใจกลัวว่าสั่งไปแล้วเนี่ยจะโดนหลอกคือสินค้าไม่ได้ผลหรอกแต่ที่มาพูดพูดกันเนี่ยคือเหมือนกับเตี้ยมกันอะไรเงี้ยคุณป้ามีอะไรจะฝากไหมคะป้าไม่ไม่ได้เตี้ยมค่ะเพราะว่ามันมันได้ผลจริงเนี่ยป้าก็บอกคนที่ว่า เนี่ยมันดีแล้ว่าอย่งเงี้ยแไปซื้อกินได้ว่าอย่งเงี้ยกินเนี่ ย, เ, ย, เ, ยเขาก็เชื่อป้านะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปซื้อแต่เขาซื้อต่อไม่รู้นะเพราะว่าบ้านมันอยู่ห่างกันเน่ยค่ะทางรายการบุญไร์นะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณป้าสิริรัตน์นะคะที่อยู่ตำบลบึงเสน า, นานอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะคะท่านใดน ะ, นะค ะ, ะที่สนใจจะทานขนมหวา น, นไปอุดหนุนร้านคุณป้าได้ใช่ไหมคะ นะจ้ามาอยู่ตรงอ่าหน้าวัดคลองค้างแถวแถวท่าเรือเก่าท่าเรือท่าเรือเก่าก็ท่าเรือท่าเรือเก่าวก็คลองค้างนะค่ะอ่าหรือสนใจจะสอบถามคุณป้าถามได้เลยเนาะว่ากินแล้วเป็นยังไงดีขึ้นไหมเนาะค่ะไปซื้อของให้มาถามได้เลยเพราะเขาต้องถามว่าป้าเนี่ยใครหมอก็ถามว่าเดินรัดแต่ถ้าไม่เดินดีแล้วอ่ะป้าก็บอกว่าเนี่ยกินน้ำมันบุญไปนี่แหละว่าอย่างนี้แม่จะแนะนําเขาอีกทีหนึ่งป้าจะแนะนำเขาไปอนะ ป้าดีป้าก็ต้องบอกว่าดีค่ะชื่อร้านสิริรัตน์ขนมหวานนะคะอยู่ตรงทางพนมรวัฒคลองทางนะคะมาทางตําบลบึงสีนาศสอบถามได้เลยนะคะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณป้าค่ะสวัสดีค่ะชาหมือนชาเท้าปวดเมื่อยตามร่างกายนึกถึงชุดน้ํามันมูลไบดัม